แล้วงั้นแล้วก็ต้องตัดอย่าให้มันเข้ามามีไหมไม่มีไม่มีอะไรเข้ามาเลยเลยไม่มีมันมันนิ่งนิ่งอะค่ะไม่มใครด่าก็นิ่งอะออย่างี้ยังมีแต่ว่ามันเข้ามาแป๊บแต่มันไม่ด้อยู่นานนะคะไม่ได้อยู่ใครโตเงายังนิ่งอยู่ก็แบะยังนิ่งใครแกลเราใครเลียดเรายังนิ่งอยู่ก็แบบต้องนิ่งกับทุกอย่างใครตบหัวเราตีหน้าตบหน้าเราก็นิ่งก็แ่ายัง นั่นแหลต้องนิ่งอย่างนั้นแล้วกระทั่งจะตายก็ต้องนิ่งนี่แหละการปฏิบัติเลยก็ต้องการให้มันนิ่งกับทุกสภาพเพราะไม่นิ่งมันก็ไม่เกิดปรยชนอะไรไม่นิ่งก็บป ม, มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเะไรถ้าด่าเราแล้วเขาด่าเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมเราไปตอไปโวยวายไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจทําไมถ้าเขาทําเสร็จแล้ว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 เราได้คนเขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้เราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มีทั้งได้มีทั้งเสียแเวลาเสียก็ต้องเท่ากับได้ถ้าเวลาได้มาดีใจเวลาเสียไปก็ต้องดีใจเที่ยงถูกดีใจเท่าเออหมดภาระไปทีหมดห่วงหมดเรื่องได้ทีหรือเออดีจะได้ใช้ของใหม่ได้เป็นขโมยขึ้นบ้านคํขโมยของไปหมดเลยเออดีเดี๋ยววันนี้จะได้ประชับของซื้อของใหม่ได้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 ดูเสียงกินรสโพสะพะเนี่ยทั้งนี้เรียกโลกธรรมแปดรากยศสรรเสริญสุขเนียอย่าไปอยากให้ให้มันเจริญอย่างเดียวเพราะมันมีเสื่อมมีรากเจริญรากก็ต้องเสื่อมรากเจริญยศก็เสื่อมยศสรรเสริญก็นินทาสุขก็มีทุกตามมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราห้ามมันไม่ได้ ก็เราทุกวันนี้ทุกกระทู้ไปเรื่องสี่เรื่องเนี่ยหะเชื่อไหมทุกกระเรื่องราบเนี่ย like, même, ทุกกระเรื่องยศเนี่ยใช่ไหมทุกกระเรื่องสรรเสริญเนี่ยชานก็ชมว่าคุณพี่สวยเหลือเกินแล้วก็ชอบแบบชอบมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสได้ดูกาแฟได้ดมกลิ่นกาแฟได้ลิ้มรสกาแฟเนื้อหนมีความสุข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 เรามีเหมือนกันแต่เราจะเปิดเวลาใช้โทรออกถ้าไม่มีเวลาเราก็ปิดฐานเรานี่ฐานแบตลรานี่ชา้าทีเป็นเดือน่อาจจะเไปชา้าใหมา่าก็ไม่ได้ใช้มันนะ <c oughs> ถ้าโทรนี่จะน่าจะถูกมาถ้าโทรวันละบาดมีโปรโมชั่นของ True <c oughs> ถ้าโทรในเครือข่ายวันละบาดยี่บสี่ชั่วโมง <c oughs> เราเดือนหนึ่งก็ต่ออายุแค่สามบาทต้องต่ออายุสามบาทค่าต่ออายุแล้วโทรก็อาทอิตย์ละครั้งโทรไปหาแม่แต่เดือนหนึ่งก็โทรสี่ครั้งสี่บา ท, บาทแล้วค่าค่าต่ออายุอีกสามบาทเจ็ดบาทเครื่อง <c ười> นี้ซื้อมาสี่ปีบแบตยังไม่ได้เปลี่ยนเลย <c ười> เพราะมัน ก็แค่โทรออก่ั้พอโทรโทรส่ก็ปิดจบอาทิตย์หนึ่งก็หอนหนึ่งชา้าทีแบบทีก็บางทีก็เดือนเดี๋ยวนี้มันเก่าแล้วมันเริ่มท่านลงอเดี๋ยวประมาณเดือนกว่าๆแล้วเดือนกว่านี้ก็นกเปีขามนี้ว่าเขันเทพรุ่นไหนนนียทุนรุ่นแบบพูดอย่างเดียวนะซัมซุมเล็กๆมีแต่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 ก็ไปคิดต่อสมว่าเดินโจ ก, กลมสามชั่วโมงอะครึ่งต่อครึ่งก็คือพุทโทกับคิดเรื่องงานอะไรแนี้พอสติเรายังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แรงเหมือนเบกยังไม่มีกำลังอย <c oughs> ากจะจอดตรงนี้แต่เ บ, บเหยียบเต็มที่แล้วมันไปจอดนูน่น <c oughs> จะจอดตรงนี้มันต้องก่อนจะหยุดนิ่งอีกช่ออีกกิโลหนึ่งอะถึง <c oughs> จะแสดงว่าเบรกเราไม่ดี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 ว่จิตมันไม่นิ่งจิตมันชอบมันไม่ชอบดูเฉยเฉมันชอบไปเล่นเขาด้วยใช่ไหมไปวิจารณ์ต่อวิจารณ์หรือไปจัดการกับเรื่องราถ้าอะไรเป็นของเรานี่ปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปดูกันเลยใช่ไหมก็คุยกับคุณติงเขาว่าคุณติงตามมาอยู่ตรงตรงที่พักสี่วัน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 มองความสว่างนั่งเปเรื่อยได้ชอบมากจะเวลานั่งนี่จะแบบถ้าไปทำอย่างอื่นจะไม่ชอบจะชอบอย่างเดียวก็คือการ น, นั่งสมาธิมีความสุขมีความสุขมากมๆ ถ, าถ้าชอบนั่งสมาธิก็แสดงว่าอจิตสงบจริงถ้าคนบอกจิตสงบแต่ไม่ชอบนั่งแสดงว่ายังยังไม่สงบยังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงก็มีความสุขมไม่อยากจะทาอะไรไ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 ใช้ใช้สตใิใช้ปัญญาสอนใจมันจะได้สุขในขณะที่เราไม่ได้นั่งอาจารยที่ที่มันไม่สุขก็เพราะเราอยากจะกลับไปนั่งเพราะนั่นต้องหยุ่ตัวนี้ เ, <อ>เราต้องดูความจริงของเราว่าตอนนี้เรานั่งได้หรือปเปล่านั่งไม่ได้เราจะไปอยากทําไมอยากไรก็ทุกไปเปล่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําทอยู่ใ<เ>หม้มีความสุขอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่มันก็มีความสุขได้ กนะารนั่งเราอยากจะรู้ว่าทางไงต่อถ้าเจอตัวสว่างก็เขารู้ดูไปแต่ก็ให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวสว่างถ้าถ้ามันดีกว่านี้มันต้องหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างมันจะนิ่งกว่านั้นอีกเราใช้อะไรเป็นตัวกำกับกำกับใจใช้แทนงสว่างแล้รนะั่งรู้ ค, รค่ะรู้แล้วก็นะให้รู้อยู่ตรงนั้นว่าเรานั่งนั่งอยู่นะ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 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทุกอย่างที่เราเข้าไปถึงอนั่นแหละก็อยู่ไงเรียกว่างช่องทางนี่เรียกวัสมาธิยังไม่เป็นวิปัสสนายังไม่เป็นปัญญาปัญญาต้องสอนใจให้เห็นใจรักในร่างกายต้องมองร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันแต่มันเจ็บมันตายเนี่ยไม่เที่ยง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 คนในในซบุดูมาเขียนตับอาจาย์ผมล้มละลายเนี่ยทำยังไงจะทํางไงมันล้มละลายก็ให้รู้ว่าตันเปนอนจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะโทษก็อยากไปอยากให้มันกลับมาเพราะมันไม่กลับมาเพราะเราสั่งมันไงมันกลับมาไม่ได้มันล้มละลายก็อยู่กับการล้มละลายไปให้รู้อยู่ของการล้มละลายไป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 มไม่จจากไม่คชนก็ร้องห่มน้องห้าเนี้ยอคนบางคนไปนอนกอดสบร้องไให้กอดไปทํามร้องทําไมนช่วยจักคืขึ้นมาบ่ะนองจากคนบางคนอาจจะเล่นละครให้คนเห็นดูว่าฉันนักกันรักเอเอดมาก็เี–ยพระจารย์ค่าเวลาเราอออกจากสมาธิเนี่ยยังอย่างน่งทูเนี้ี่ย ให้เรารู้ทําตัวเหมือนอย่างเรากำลังนั่งสมาธิก็เหมือนกันใช่ไหมครับ ถ, ถ, ถ้าทําอย่างนั้นได้ก็โอเคแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่เข้ามาตบหน้าเราเนี่ยเรายังจะรู้ได้ปะอถ้ารู้ได้ก็โอเคถเอามาแล้วเขาตอบหน้าเราแล้วก็ยังรู้เฉยๆหรือว่าบาเอันอนี้จังตบบ้าเปังเราผ่านไปแล้วจบและอนัตตาเราห้ามเขาตบเราไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ตบเราเราก็จะทุกข์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 หลาคนที่ยังไม่ได้กินกัจะมากินเนี่ยพอไม่ได้กินเ <laughs> นี่ยนี่หละคือคุณค่าของสมาธิคือเรามีมีทุนละมีความสุขใจอยู่แล้วทีนี้เราก็จะสามารถปล่อยความสุขใจที่เราเคยเคยได้จากเสิเองอื่นได้เช่นเราเคยสุขกับการดื่มกาแฟพอเกิดคามอยากจะดื่กาแฟขึ้นมาไปเปิดดูอ้าวหมดแล้วกาแฟหมดแล้วอ้าวหมดก็ะ่ังมันหมนนี้ก็จบ ไม่ใช่โอ้โหหงุดหงิดใครมาตัดกาแฟของเราไปเรอไมั้นก็ต้องไปขับรถออกไปซื้อกาแฟมาดืม่มแต่ถ้าเรามีความสุขใจเ้วก็เฉยได้ยิ่งถ้าเรามีปัญญาบ่าอยแม่ น, นี่นะอันนี้จังทุกขังอนะจังเป็นอย่างนี้เองเพราอยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดืม่มมันก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะมันหมดอันนี้จังก็คือมันหมดมีเกิดมีดับมีมีมามีไปเดือดไม่ได้เรื่อยเดือดมันก็หมดใช่ไหมกาแฟเนี่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 ้กินที่ได้มาแเ อ, อเาไปชิมทานไว้แต่คารวะนี่ก็ถ้าอยากจะทำนี้เวลาไปที่ร้านก็ต้องสั่งเดี๋ยเอาอะไรมาก็ได้กินทั้ง เ, เดี๋ยวเขายกมาทุกเมนูนแต่แล้วแต่เขาเอามาสองสามอย่างเจ้อหม อ, อเท่เาไหร่เรืองเราอย่าไปสั่งเองอยา่าดูเหมือนท่าเนี้ยถ้าไม่รู้ญาโยมจะเอาอะไรมาประเคนให้วันนี้มีอะไรก็เก็มนนันไปตามตามที่เขาให้มา ก็อย่าเกิดความอยากยินดีตามมีตามเกิดใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าสมุติเขาตอบหน้าเนี่ยเราสงสัยได้ไหมคะตอบอะไรสงสัยว่าตอบทันทาไมอะไรเงี้ยเป็นพินไหมะทำไมต้องไปสงสัยด้วยตอบแล้วก็จบบแล้วก็จบแล้วอ่าอ่าย้อวไม่ก็ตอบไปอ่าไม่อย่าไปตอบความยาวสาวความยืดก็เลยเรอคนที่ตอบเรามันไม่ชอบเราเออ่ก็แค่นั้นไปรู้หาอะไรไะ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 เออถ้าถามได้ก็ถามได้คํตาตอบก็โอเคไม่ได้คํตาตอบก็โอเคอเขาไม่ชอบเราอยู่นี่แหจบไม่ใช่ว่าต้องถามแล้วต้องได้คําตอบถามาเขาก็ไม่พูดก็ไปพยายามไล่ถาม<ด><ด>อันนี้กลายเป็นตันหาความอยากขึ้นามาแล้วอย่างทางที่ดีรู้เฉยๆดีกว่าหรือว่าเขาจบแล้วละจบแล้วผ่านไปแล้วร่วมเป็นอนิจจังดีกว่าหรือว่ามันเป็นอนัตตาดีกว่าดีกว่าไปรู้เหตุผลของเขา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 ปัญญานี่จะมาเองโดยอัออตโน ม, มั ต, ติแม่จำซองก่อนเหมือ응นกับเราเรียนวิทยาศาสตร์นี่เราต้องเรียนก่อนก่อนที่เราจะบวกลบคูณหารได้อย่างอัตโน ม, มต ja. ัติเราต้องเรียนก่อนไม่ใช่เราต้องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ต้องหัดบวกไว้ก่อนแล้วต่อไปมันถึงจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมามมมถ้ามันไม่มีเราในนี้ <rates> มันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้นั ง, งจากเของนี้เราเคยเรียนมาก่อนนี่มันจะมาอัตโนมัติเอง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 แต่เราเจอใครอยู่กับใครเกี่ยวข้องกับใครได้รู้แค่นี้แล้วจะไม่ทุกข์กนะับอะไรไม่ต้องผาดคิดแบบนี้ธรรมดาเราจะคิดตรงกันข้ามกันเราจะค <c oughs> ิดว่าทุกอย่างเที่ยงพอพูดอะไรตกลงแล้วต้อง <c oughs> โอเคอที่ไหนได้พูดวนะันนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นอย่างอย่างไปแล้วพอเป็นอย่างก็ทุกข์ละพออยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วงั้นเราต้องเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน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 เ <c oughs> คือปัญญาวิปัสนา <c oughs> ถ้าเรายังทุกข์กับเรื่องไหนเราต้องใช้วิปัสนาตัวเนี้ยมาม า, มาสอนใจเราทุกข์กับแฟนเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาดีเขาไม่ดีก็เนี่ยเรามาสอนใจเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละเราจะแบอย่ายให้เขาดีกับเราไปตอลอดเป็นไปไม่ได้พล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราเฉย อ, ยอย่างเดียว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 พอให้รู้ว่าจะต้องตายแล้วก็ยิ่งรู้ว่ายอมรับว่าจะต้องตายแล้วพอ<ห> ถ, ถึงเวลาเข้าจริงก็ต้องยังแก่บางที<ม>ต้องต้องยังรู้สึกรวัวลึกๆหรืออะไรอย่างนี้ไ ม, ม, ม่เคฝึกมันต้อง <ๆ S 2> มันต้องเห็นว่าความแก่ของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเรา ค, รความอยากไม่ตายเราต้องเห็นว่าเราไปห้างความไม่ตายความตายได้หรือเปล่าพะผมห้ามไม่ได้ยอมตายก็มันก็ไม่กว่ มันต้องเห็นอริยสัจสี่ทำ ม, มันก็เกิดต่อเมื่อคนที่เคยฝึกมาคนที่รู้จักสติรู้จักสมา ธ, แามาธิแล้วมันถึงจะไม่แกลงเห็นอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมาแล้วคือมันยอ ม, มรับโดยอัตโนมัติเพราะมันต้องตายเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปเซนตก็น่าจะมีแกล <c oughs> ้งก็ไม่รู้แหละอันนี้แกล้งไม่แกล้งสนใจเขาทำไมดูตัวเราเป็นตัวอย่าง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 พูดถึงความตายตอนเนี้ยมันยังใจเรายังไม่แขวนเพราะยังไม่มีความตายเข้ามามถ้าใครโยนงูเข้ามาไว้ตรงนี้สักตัวนึ่ง <c ười> <c ười> กระโดด ก, ก่อนไปก่อนแล้วดูอีแขวนไม่แขวะกระโดดนี่ก็แสดงว่าแ <c ười> ขาาาวนะไม่รู้เฉ ย, ยๆถ้าคนมีปัญญาก็รู้เฉยๆโอโ้ถ้ารู้แบบคนมาตบเราเนี่ย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 แต่มันก็เป็นผู้ใหญ่มันตายมาจากชาติก่อนมั น, เ, <อ>มนเป็นแบนนี้แต่บ้านกายมันเป็นเด็กแต่ใจนี่มันก็เป็นผู้ใหญ่ความโลภความโกรธความหลงความเกลียดนี่มันเป็นเป็นสองผู้ใหญ่เท่านั้นนะมันไม่ได้เห็นว่าอาจารย์เทศแบบว่าให้ยอมเพื่อนคนไหนที่ไม่ชอบหรือเราไม่ชอบอเขาเขาไม่ชอบเราก็ให้คุยกับเขาไปเขาหัดทัดเลยอะไรทาไม่ได้หนูทำไม่ได้หนูทาไม่ได้เลยข้อสองไง ก็ใจแข่งแรงๆเนี่ยก็เห็ น, น, นก็แต่ถ้าเราอยู่แข่งแข่ง น, น, น้อยๆมองไม่เห็นเหมือนกับที่คาถามที่ความตายอะ่ะเหมือนกับเราอยู่ในความแป่งเราก็แข่งไปกับมันด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยโอ้เพราะหลังจากที่วันนั้นที่ถามเสร็จพวกมันก็ติดป่าใจไม่รู้จะไปปฏิบัติล้วกลับไปก็ไปนั่งเออหนูก็นึนกถึง ความรู้สึกรู้จะรู้สึกว่ามนันหนักๆเฉยๆเพาอาจารย์จะไม่รู้สึกว่าแข่งเลยเหมือนเวลาโกรธอ่ะไออย่างนั้นเนี่ยกรโกรธมันเห็นชัดกรแข่งอย่างนึงตีเล่นนึงนี่หลายหลายหลายระดับไงระดับยากระดับกลางระดับละเอียดส่วนใหญ่ถ้าเราจิตเรายังไม่พัฒนามันจะเจอแต่ตัวตัวห ย, ยาบๆพอสู้มันได้แต่ตัวละเอียดนี่ไม่รู้จะทำยังไง <ๆๆ S 1> เลยเราสติปัญญาเรายังไม่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 ก็แ ส, สดงว่าต้องฝึกไปทีละขั้นคือการนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปรรัญญาไปได้วยกันตลอสสดสลับกันสลับกันไปล้นั่งสมาธิแมใ่ใช้ปัญญา่ปแล้ว น, นั่งเป็นการฝึกให้มันเฉยก็จะได้มีกําลังเฉยเวลาออกมาพอเจอเหตุการณ์อะไรก็ได้ใช้ปัญญาบอกพอพอปัญญาบอกปั๊บจิตมันก็กลับไปเฉยได้แต่ถ้าคนไม่มีเฉยมาก่อนบอกให้เฉยก็ไม่รู้จะเฉยยังไงนั้นคนที่บอกจะใช้ปัญญาจะไม่มีสมาธินี่พูด พูดแบบไม่รู้เรื่องถ้าทำออย่างนั่งเนี่ยมันจะคิดเนี่ยก็ไม่นปัญญาก่อนมันยังไม่ได้ต้องสติมาก่อนงั้นต้องฝึกสติท่เลยมันจะชอบลองให้เราปัญญาปัญญาไปเน่จริงไม่ใช่ปัญญาหรอกฟุ้งซ่านอัเราเป็นปัญญา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 อย่าให้มันไปคิดอดีตอนาคตถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธแล้วใช้สัมมาละหังท่องดึงมันไว้ก็ได้สวนมนต์ไว้ก็ได้อย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆและเวลามานั่งมันจะได้นิ่งมันจะไม่ม ไ, มไปนู่นมานี่แลวมันก็จะสงบนั่งเดี๋ยวๆห้านาทีสิบนาทีก็จิตก็สงบถ้าสติต่อเ น, นื่องนะ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 แต่ถ้ามันจริงก็แสดงว่าถ้ า, ถ, าถ้ามันจริงเวลาไปก็จะไม่กลัวถ้าไปแล้วยังกลัวก็ แ, แสดงว่ายัยงยังเป็นวิปักสนิดหอึ่งคือมันก็เบาตอนนั้นน้ำไม่อยากไปทํางานไม่อยากอะไรอะไ ร, อะไรก็ไม่กินอะไรก็คืออยู่ด้วยก็ทักเนี่ยมัน <c oughs> จบโตตรงไอ้ก้อยโตแบบอะไรแบเชฟเนี่ยของมันล็อกลุกแล้วมันต้องไม่กลัวตลอดมันต้องไม่กลัวตลอดหลังจากนั้นไปแล้วมันจะไม่กลัวความตายต่อไป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 วันนูก็เห็นอาการเดียวัเลยต้องเดืกาแฟดำก็เดือกาแฟดำก็เดือก็ได้ไม่กินเลยมกินินได้เพื่อดรสชาติเนี่ยไม่มันเนี่ยไม่มันเนี่ยโอ้เห็นเลยนะครับอาจารย์ตอนที่นมนมเป็นถังวิธีเชื่อวิธีเชียแล้วกินกาแฟอย่างนี้ตอนั้นก็อย่าใส่นมขั้นต่อไปก็อย่าใส่น้ำตาล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 คนที่มีแฟนเหมือ น, นกันนะถ้าอยู่คนเดียวก็โหยขึ้นมาอยู่ไม่ได้ถ้หาแฟนแฟนคนนี้เลิกไปก็หาแฟนใหม่แทนต่อคนนี้แสดงว่าไม่มีสมาธิเท่งนั้นเองบางที่ ม, มีสมาธิส่วนใหญ่ก็ถือสียงแตดกันได้เท้าวัดได้ไ ป, ไปเปรียวยเวกภาวนาได้ อนะมีอะไรไมํม ไ, ได้คำตอบหมดหรื อ, อยัง